12การเจริญธรรมานุปัสนาวงเล็บเปิดหนึ่งมีนาคมสองพันห้า้อห้าสิบสองในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีห้าวงเล็บปิดธรรมานุปัสนาเนี่ยเราจะเห็นกระบวนการของมันถ้ากายในวงเล็บ ก, กายานุปัสนาเวทนาในวงเล็บเวทนานุปัสนาจิตในวงเล็บจิตตานุปัสนาเนี่ยเราจะเห็นสภาวะของมัน ฉะนั้นดูกายเวทนาจิตไปเรื่อยต่อไปก็จะเห็นกระบวนการเช่นนิวรณ์นิวรณ์ทำงานขึ้นมาได้อย่างไรนิวรณ์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรนิวรณ์เกิดมาแล้วมีบทบาทอย่างไรนิวรณ์ดับไปได้อย่างไรนิวรณ์จะเกิดใหม่ได้อย่างไรจะเห็นกระบวนการเกิดขึ้นของโพชฌงจะเห็นกระบวนการทำงานของขันธ์ห้าจะเห็นกระบวนการของจิตที่มีอวิชชาจนปรุงแต่งความทุกข์ขึ้นมาที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท นี่ธรรมานุปัสสนาจะเห็นกระบวนการทำงานของมัน